แหวนวิเศษกาละครั้งหนึ่งมีพระราชาอาศัยกับโอรสทั้งสองพระองค์โอรสองโตเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดชานฉลาดและรอบคอบในสิ่งต่างๆในขณะที่โอรสองค์เล็กเจ้าชายคลิฟฟอร์ดใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายโรบัสเอาอัญมณีมาให้ข้าสิฟาบาตมอมชันสั่งแหวนพวกนี้มาเพื่อทันโดยเฉพาะเลยล มันช่างสวยงามนะนี่ของเจ้าท่านขอพระไทยฟาบาทเราต้องการทองอีกร้อยเหรียญโอ้งั้นรอคาาเดียวนะเอ็ดเวิร์ดงั้นข้าขอยืมหนึ่งรอเหรียญเซ่แต่ว่าท่านพ่อท่านให้เราคนละสองพันเหรียญ น, นะข้าใช้หมดไปแล้วเอาจิงเหรอแต่ว่านี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคลิฟฟอร์ดท่านพี่ มีคนรอข้าอยู่ท่านอาจจะได้เห็นแหวนและกําไรพวกนั้นนะควรจะซื้อมาใส่บ้างคริฟฟอร์ดเจ่านี้เกิดไปจริงๆเลยโถ่ให้ข้ายืมเธอหน้าท่านเพเราเนี่ยเป็นเจ้าชายนะจะไม่มีท้องได้อย่างไงเล่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดให้เจ้าชายคริฟฟอร์ดยืมหนึ่งรเหรียญแต่เขารู้สึกเป็นห่วงในนิสัยการใช้เงินของน้องชายไม่นานเงินในท้องพระคังคงจะหมดแน่ เขาจ <na> ึงตัดสินใจที่จะคุยเรื่องนี้กับเสด็จพ่อท่านพ่อแบบนี้คลิฟฟอร์ดคงจะได้ใช้เงินหมดคลังแน่เลยเจ้าพูดทุกเจ้ายังไม่คุยกับเขาอีกเหรอเขาพูดแค่เราเป็นเจ้าชายเราไม่มีวันหมดเงินเออถ้าพูดไม่ช่วยอะไรก็ไปบอกเจ้าชายคลิฟฟอร์ดว่าข้าต้องการพบเขาเดี๋ยวนี้เลย เจ้าชายคลิฟฟอร์ดถูกเรียกไปคุยกับพระราชาเจ้ารู้จักอำนาจของทองแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะรู้ว่ามันไร้อำนาจเช่นเดียวกันก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะท่านพ่อนี่หนึ่งพทองถ้าเจ้าใช้มันภายในหนึ่งเดือนก็ดีไปแต่ว่าหากเจ้าจใช้มันหมดเร็วกว่านั้นเจ้าจะต้องออกจากวัง และกลับมาเมื่อ ร, รู้การไร้อำนาจของทองและสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทองตามพระบัญชาดังนั้นพระราชาจึงมอบทอง1000พันเหรียญให้กับเจ้าชายคลิฟฟอร์ดและแน่นอนว่าเขาใช้มันจนหมดในไม่กี่วันเขาจึงต้องออกจากวังโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยสักนิดนอกจากทองสี่เหรียญที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นพี่ชายมอบให้ ท่านพ่อไม่มีทางอื่นแล้วเหรอมันดีกับเขาแล้วล่ะคลิฟฟอร์ดมีจิตใจดีมันจะปกป้องเขาและพาเขากลับมาหาเราอย่างฉลาดเจ้าชายคลิฟฟอร์ดมาถึงเขตชาญเมืองทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างเฮ้ยอย่าตีมันหน้าเจ้าสันหน้าสงสาร มันกินนมของข้าจะหมดขวดแล้วข้าจะดื่มอะไรเล่าแมวตัวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเกิดกว่าจะช่วยข้าจะซื้อแมวนั้นจากเจ้าเองเท่าไรกันก็แค่หนึ่งเหรียญก็พอแล้วเอานี่ไงเพื่อนแกเปอิสระแล้วไม่มีใครตีเจ้าแล้วนะแมวข้าอยากไปกับท่านนะได้มาสิแต่ข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าหรอกนะ ข้างหน้าเล็กน้อยเจ้าชายก็มาถึงทุ่งนาและเห็นชาวนากำลังกโกรธมากเจ้าซักที่นาสา ย, ยองมีอะไรอ่ะอย่าตีมาเลยน้านะ่าสงสารออกพวกนกจิจ ก, กินผลไม้ของขา้ามันควรจะไล่พวกนั้นแต่ดูขามันเสี้ข้าจะซื้อหมาจากเจ้าเท่าไรากันข้าคิดแค่หนึ่งเหรียญเอานี่ เราไปที่อิสาราเอลแล้วนะเพื่อนก็จะติดต่อมทอนก็ได้มาซีแต่ข้าไม่มีอะไรให้เจ้านะข้ามีจิตใจดีนกักพรอยแล้วไปกันเลยเมื่อไปได้ไม่ไกลเจ้าชายก็พบกับชายคนหนึ่งถือห่อแปลกๆคุมด้วยผ้าสีแดงเมื่อเจ้าชายเดินผ่านก็ได้ยินเสียงร้องให้ก็ได้ช่วยข้าทีปล่อยข้าด้วยเฮ้ hey. อะไรอยู่ในนั้น่ะแล้วเจ้าเป็นใครกันขคอยากจะปล่อยนกแก้วตัวนั้นมันควรจะได้บินอยู่บนท้องฟ้านูน่นไม่ใช่มาอยู่ในกรงแบบนี้ถ้าเจ้าอยากปล่อยนกแก้วก็ต้องใจมานหนึ่งเหรียญเอานี่ทีนี้ก็ปล่อยเจ้านั่นซะเถอะเร็วเข้า <c oughs> ตอนนี้เจ้าจะบินไปไหนก็ได้แล้วนะ ก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะให้เจ้ารอกนะแต่ท่านมีจิตใจที่ดีนั่นก็พอแล้วว่านั่นก็มาสิเจ้าชายเดินทางต่อไปกับเพื่อนๆของเขาก่อนที่จะได้พบกับหมองูเขา้าอยา่างดูการแสดงของข้าไหมข้าทำไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยข้าทีเฮ้ยเจ้า โหดร้ายไปนะเก็บงูเนี่ยจะ ก, กล้าแบบเนี้ปล่อยมันเะน้ปล่อยมันถ้าเจ้าอยากให้ค่าปล่อยงูก็จ่ายมาไม่มากแค่หนึ่งเหรียญทองเอานี้ตอนนี้เจ้าก็เป็นเดือดร้อแล้วเพื่อนข้าจะอยู่กับท่านและเพื่อตอบแทนที่ท่านเมตตาต่อข้านั่นไม่เป็นไรหรอกอเพื่อนไม่มากับท่า มาหาครอบครัวข้าเมื่อพ่อข้าถามท่านว่าท่านต้องการสิ่งใดให้ขอแหวนจากเขาเจ้าชายรู้สึกทึ่งในสิ่งที่แปลกๆที่งูได้ขอให้เขาแต่เขาก็ตอบตกลงทำตามที่งูพูดพวกเขาช่วยกันขึ้นภูเขางูได้เข้าไปคุยกับพ่อของเขาก่อนและไม่นานเจ้าชายคริฟฟอร์ดก็ถูกเรียกเข้าไปพบท่านช่วยชีวิตลูกชายข้า ข้าจะทําอะไรเพื่อท่านได้ถ้าก็แค่ทําในสิ่งที่มนุษย์ควรจะทําท้านต้องการสิ่งใดหรอกขอบคุณนะท่านช่างจิตใจดีจะเป็นเกียรติมากที่ได้ฟังคํำขอของท่านได้โปรดบอกมาว่าท่านต้องการสิ่งใดถ้าอย่างนั้นข้าขอแหวนที่ท่านใส่ได้หรือไม่ล่ะข้าไม่เคยจากแหวนนี้ แต่สัญญาต้องเป็นสัญญาเอานี่ไปและจงระวังแม่มดไว้ในขาว่าเธอหามันมาหลายปีแม้เจ้าชายจะทําตามที่เขาบอกแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาแหวนวงนี้มาทําอะไรในเมื่อมีทองมากมายแต่เขาก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นเจ้าชายจึงเปิดกระเป๋าของเขาแล้วนําขนมปังในนั้นออกมา เมื่อคิดว่าพวกสัตว์เหล่านี้คงจะหิวเช่นกันเขาจึงแบ่งให้กับพวกมันด้วยรู้อะไรไหมถ้าไม่หิวผู้เจ้านี่ไปแบ่งกันเถอะทำไมท่านถึงไม่ขอแหวนล่ะมันแค่แหวนไม่ใช่เพราะกลัวทำอาหารตอนนี้ก็ขอสิอาหารกันเหรออะไรก็ตามที่ท่านต้องการไงตอนนี้เอาเป็นอาหารไหมล่ะ ข้าอยากได้อ่ะขนมหวานที่อร่อยที่สุดพุดดิ้งร้อนสำหรับข้าสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมให้แมวและผลไม้กับถั่วให้นกแก้วบิสกิตให้เจ้าหมาด้วยแล้วจะเอาอะไรข้านะ่ะกินมาแล้วขอบใจท่านมากเลยนะนั้นข้าต้องการอาหารอยู่นี่แล้วมันอร่อยมากตอนนี้ข้าทำในสิ่งที่ข้าต้องทำแล้วเก็บขวดบัตเตอร์มิลล์ไว้กับท่าน และท่านจะขอทุกอย่างได้จากแหวนขอบคุณมากนะเพื่อนเจ้าชายและผองเพื่อนของเขาได้เดินทางไปไกลด้วยแหวนวิเศษของพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยแหวนให้อาหารที่พักอันอบอุ่นในคืนที่เหน็บหนาวและทุกๆอย่างพวกเขาได้เดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งใหม่มีประกาศแปลกแปลกเมื่อพวกเขาเดินผ่านเข้าประตู พระราชาทรงท้ า, าหาักผู้ใดสามารถสร้างวางด้วยทอง ค, คํากลางทะเลได้ในคืนเดียวจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและปกครองอาณาจักรครึ่งหนึ่งเช่างปกับประกาศที่แปลกพระราชาต้องโดนแหวนมนต์ชั่วร้ายแนะ่หรือทําไมเขาต้องประกาศที่ไม่มีทางเป็นไปได้แบบนี้ล่ะแน่นอนมันต้องเป็นคาถาเพื่อหาแหวนนะสิด้วยพลังของแหวน การท้าทาทยนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าชายเลยเขาไปที่พระราชสำนักและบอกพระราชา ว, ว่าจะสร้างวังให้เ้าจะทำตามการท้าทายนี้ในเวลาที่กาหนดเจ้าแน่ใจรือใช่ฟาบาตเจ้าชายถูกนำมายังกลางทะเลเขานอนหลับอย่างสงบในคืนนั้นทุกๆคนล้วนเป็นห่วงเขาแต่ทันทีที่รุ่งเช้าเจ้าชายตื่นขึ้นมาและอธิษฐานต่อแหวนของเขา ท่านใดนั้นวังทองคําสวยงามปรากฏกลางทะเลยามที่เป็นแม่มดมองเห็นสิ่งนั้นแหวนนั้นข้ารู้ดีไม่มีใครสามารถหยุดข้าได้แล้วในตอนนี้เจ้าชายและเจ้าหญิงแต่งงานกันอย่างมีความสุขพวกเขาอาศัยอยู่ในวังทองคําแม่มดจึงวางแผนที่จะคลองแหวนวงนั้นตอนนี้หลังโอกาสของข้า แ, แม่มดแปลงกายเป็นหญิงชราและทำเป็นหลงทางในทะเลเจ้าหญิงใจดีจึงอนุญาตให้เธอเข้ามาในวังได้ฟาบาเนี่จังเป็นพระราชวังที่งดงามแต่ทำไมวังใหญ่ขนาดนี้ถึงไม่มีคนรับใช้ล่ะเพคะอ๋อ เราไม่ต้องการคนรับใช้เจ้าชายนะ่ะมีแหวนวิเศษที่สามารถทำทุกอย่างเพื่อเราได้อ๋อข้าอยากเห็นแหวนวงนั้นเอ่อข้าหมายถึงถ้าท่านไม่ว่าอะไรข้านะสามีข้าเก็บแหวนวงนั้นไว้กับตัวตลอดเวลาเจ้านะ่ะต้องรอให้เขากลับมาก่อนถึงจะได้เห็นมันนี่คงเป็นเรื่องอยากที่จะขโมยแหวนวงนั้นจากเจ้าชายได้ข้าคงต้องลองวิธีอื่นซะแล้ว โอ้ไม่ทำไมท่านไม่เก็บแหวนวงนั้นไว้ซะเองละ่ะทำไมละ่ะเออถ้าเกิดว่ามันหายไปในท้องทะเลละ่ะมันน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าหากมันอยู่ในวังท่านก็พูดถูกนะข้าจะลองคุยกับเขาดูเมื่อเขากลับมาแล้วคืนนั้นเจ้าหญิงขอให้เจ้าชายเก็บแหวนไว้กับเธอเวลาที่ออกไปนอกทะเลเจ้าชายเองก็เห็นด้วย เชวันต่อมาเจ้าชายออกไปนอกทะเลโดยไม่มีแหวนแม่มดเห็นเจ้าชายออกไปและตอนนี้เจ้าหญิงก็อยู่คนเดียวตมามลำพังนางจึงกลายร่างกลับเป็นร่างเดิมและขโมยแหวนจากเจ้าหญิงในที่สุดข้าตามหาเจ้ามาตลอดชีวิสร้างคาถาในอาณาจักรนี้เพื่อตามหาเจ้าในที่สุดก็เป็นของข้าและเมื่อสามีของเจ้ากลับมาก็จะไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่ามันเกิดอะไรขึ้น บอกเจ้าชายทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เขาออกทะเลว่าข้ารู้ว่านางพาเจ้าหญิงไปที่ไหนวะเอลพาข้าไปที่นั่นแต่มันไม่ปลอดภัยสำหรับท่านนะอย่าลืมว่าแม่มดมีแหวนนเจ้าหมาพูดถูกไม่มีใครรู้ว่าเธอทำอะไรกับแหวนวงนั้นกันแน่เราต้องนําแหวนวงนั้นมาให้ท่านให้ได้ นกแก้วนำทางพวกเขาไปที่แม่มดขังเจ้าหญิงไว้อย่างแรกงูได้เลยเข้าไปหาเจ้าหญิงก่อนท่านต้องขอชีสเป็นอาหารค่ำในคืนนี้สสสและวางมันไว้ใกล้ๆผนังถ้านะเจ้าหญิงขอชีสเป็นอาหารค่ำ แล้ววางมันไว้ใกล้ๆกับผนังของถ้ำเมืม่อตกดึกตอนที่เจ้าหญิงและแม่มดกำลังหลับไหลหนูก็ได้ออกมากินชีสแมวที่รออยู่แล้วจึงจับหนูแล้วก็ยัดหางของมันเข้าไปในรูจมูกของแม่มดแม่มดจึงจาบ อ, อกมาพร้อมกับแหวนนกแก้วเก็บมันแล้วจึงบินหนีออกไปเจ้เาหมา ป่อยเจ้าหญิงและมูก็เฝ้าไม่ให้แม่มดไปทำร้ายพวกเขาได้ไม่นานพวกเขาก็ออกมาหาเจ้าชายได้โปรดให้แม่มดชั่วร้ายทั้งหมดและคาถาของพวกมันหายไปจากอาณาจักรแห่งนี้ตลอดการตอนนี้ข้ารู้แล้วความหมายที่ท่านพ่อพูดอะไรเหรอข้ามีทองคาและความร่มรวยในโลก แต่มันไม่พอสำหรับจะช่วยเจ้าจากอันตรายเป็นเพื่อนของข้าและมันไม่ใช่เงินที่ช่วยข้าตลอดชีวิตของข้าค่ายความสาคัญกับสิ่งที่เงินสามารถซื้อได้แต่มันก็ซื้อคนรักไม่ได้ไม่ว่าจะมีเงินมาสักเท่าไหร่มันก็ไม่พอที่จะทำให้มีความสุขแต่เพื่อนแค่คนเดียวก็พอสำหรับให้เรามีความสุขได้และข้ามีพวกเจ้าถึง5คน พี่ชายและพ่อของข้าเขาไม่ต้องการเงินอีกแล้วเอานี่ไปคืในใหพ่อของเจ้ามันเหมาะกับเขาและในที่สุดเจ้าชายคริสฟอร์ดก็กลับมายัางบ้านของเขาอย่างชาญฉลาดสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเขาอยู่กับพ่อพี่ชายเพื่อนๆ น, นสัตว์และคนรักในชีวิตของเขาอย่างมีความสุขตลอดนิจนิรัน